ขอโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องมีการทสูตรสูตรที่ว่าด้วยคำกล่าวถามปัญหาของพูกนิครณมีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระอนุนเทระได้ไปพักอยู่ที่แคว้นวัชชีก็มีลิชวีที่เป็น ลูกศิษย์ของพระนิครนสองท่าน่อมาสนทนาด้วยโดยอ้างว่าท่านนิครนนาถบุตรนั้นเป็นสัพพันยูคืออ้างตัวเองว่าเป็นสัพพันยูคคือรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตาความเป็นจริงแล้วก็เป็นผู้เห็นสิ่งต่างๆําความเป็นจริง ได้กล่าวถึงการปฏิบัติและการห ล, ลุดพ้นออกไว้ก็ดูแล้วมันไม่ถึงก็ผิดกันอย่างสิ้นเชิ ง, งนะครับก็พุทธศาสนาแต่ว่าก็ไม่จ่ตรงกันทั้งหมดหรือท่านบอกว่าละกรรมชั่วในอดีตโดยไม่ทำกรรมชั่วในปัจจุบัน ได้ก็ชือว่าสิ้นกรรมแล้วก็มาสิ้นกรรมแล้วก็จะเข้าถึงวความหลุดพ้นที่ท่านเรียกว่าโมกสะแล้วก็ถามพระนุนว่าในกรณีนี้พระนุน่านมีความเห็นอย่างไงแล้วพระนนท่านกต็ตอบก็มีข้อความที่ควรทาความเข้าใจในตอนต้นอยู่หลายประเด็นนะนะ เป็นแรกก็คือเรื่องนิคคนเรื่องนี้คันทะเรื่องนี้คนเป็นรัฐที่ละที่หนึ่งซึ่งสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้เรียกว่าศาสนาเชนเกิดก่อนพระพุทธศาสนาหกปีตัวศาสดาเป็นเป็นกษัตริย์นะฮะเป็นคนในวรรณะกษัตริย์คือวัฒมานหรือทันมหาวีระ เป็นพวกฤทธชวีเป็นพวกกษัตริย์ฤทธชวีคำมทธชวีนั้นแปลว่าผิวย่นนะฮะเป็นการเรียกชื่อตามบรรพบุรุษซึ่งเกิดมาผิวบรนยนแล้วก็เรียกพวกนี้ว่าเป็นฤทธชวีได้สร้างเมืองขึ้นที่เมืองไพศาลีหรือว่าเวศาลีในแคว้นวัดชี มีความเจริญเติบโตขยายบ้านเมืองมาโดยลำดับแลเราได้ยินชื่อบ่อยนะฮะชื่อไพศสาลีเวซาลีแควนวัชีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพระพเจ้าระเนื่องจากท่านเป็นราชโอรสของกษัตริย์ลิชวีแต่คำว่ากษัตริย์เนี่ยมันมันมันก็ไม่ได้เหมือนกับที่ ท, ที่ที่กษัตริย์อย่างเราเป็น เกิมาความเป็นคนในวันนกษัตริโตน่ชวีนั้นเขาปกครองแบบสามกีธรรมเป็นรูปของสภากษัตริและมีสภาลดหลั่นกันลงไปจากข้างล่างก็คือสภาขามสภานิคมสภาชนบทสภาราชสถา น, นีก็มีอยู่สี่ชั้นเป็นรูปของสภาสี่ชั้นชั้นล่างๆมันก็คงจะไม่ใช่พวก ริชวีอย่างเดียวนะผู้อื่นอยู่ด้วยแต่ชั้นบนเนี่ยชั้นรภ า, าราชธานีเนี่ยเป็นพวกกษัตริย์ล้วนๆเป็นการบริหารบ้านเมืองโดยโดยการประชุมลงมติแล้วก็มีคนรับไปดำเนินการทำงานคล้ายๆการรั ฐ, ร, ฐรัฐบาลผนวกรัฐสภา ก่อนหน้าไม่บอกกันนะนะแต่ก็รูปเป็นคนรูป ข, ขนาดที่ประตายวันนี้เมื่อพระญาติของตนได้เป็นคณาจารย์เจ้าระชีขึ้นมาก็นับถือศา ส, สนานิโครนกน่ะศาสนาเชนก่อนทีนี้ศาสนาเชนเนี่ยเราก็มีแนความคิดที่ทน่าศึกษา มีลักษณะคล้ายๆกับสืบเนื่องเหมือนกันคือสืบต่อกันมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่สืบต่อแบบพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเรานั้นสืบต่อแต่ว่าองค์ศาสดาแต่และองค์นั้นศัตรูมาความคําสอนของศาสนาองค์ก่อนหมดไปจากโลกคนไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธผ่านกาลเวลามาเยอะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมีมหาบุรุษท่านหนึ่งเกิดขึ้นในโลก เราศึกษาค้นคว้าจนในที่สุดก็ศัสรูแต่ว่าสิ่งที่ที่ศัตรูผลจากการศัสรูสถานภาพเนี่ยมันเหมือนกับพระพุทธเจ้าในอดีตก็เหมือนกันแม้แต่รูปร่างกายนะครับแสดงถึงพัฒนาการทางกายและจิตเป็นการสะท้อนถึงผลบุญผลกุศล วิชาเนี้ไปออกรายการกดของกรรมกดแห่งกรรมนะะที่ที่ชอ่องห้ามีคําคนถามปัญหาเข้ามาเยอะตอบไม่ทันอ่ะเวลามันก็สันน้นเพราะว่ามีละครนําด้วยกันแสดงว่าคนสนใจเรื่องกรรมเยอะคนก็ทํากรรมได้สร้างวิปติสารไว้เยอะเพราะปัญหาวิชาเนี้เป็นเป็นปัญหาจากตัวเองเท่านั้น เป็นมัญหาที่จากการทำกรรมกันตัวเองแล้วก็ได้รับผลกรรมเต่มมองในแนวบาปแต่ยึงกรรมน้ำก็เป็นทั้งบาปทั้งบุญนะ่รนะตรงนี้เราเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าแนวของกุศลกรรมที่พัฒนาขึ้นไปรูปของบารมีมันสมบูรณ์ทั้งในส่วนจิตและส่วนร่างกายอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องน่าคิดมากสร้างความสมบูรณ์ในส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนจิตใจ เมื่อคืนเนี่ยมีข่าวเล็กๆว่ารัฐบาลอเมริกาสร้างปฏิทินอะไรสแตมมารินบอนโรแล้วเขาเชิดชูกันว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดก็ทาให้คิดถึงคติคติของโบราณในท่านสอนเอาไว้นีคยเพราะคนคนหนึ่งมันจะสมบูรณ์ครบสามอย่างนี่ไม่ได้ ความงามความดีแล้วก็ปัญญาเนี่ยคือมันจะอยู่ในคนคนเดียวไม่ได้เพราะคนคนนี้ถึงแม้ว่าอเมริกาเขายกย่องอย่างนงั้น น, นะนะฮะแต่ตามประวัติเราก็รู้ๆกันด้วย mm. ก็แสดงว่ามีปัญหาเรื่องความดีแล้วก็มีปัญหาที่ปัญญาเราคงมีก็เฉพาะความงามก็นในรูปร่างกาย แต่ว่าของพระเจ้าท่านสมบูรณ์ท่านสมบูรณ์ทั้งความดีความงามแล้วก็ปัญญามาเข้าถึงจุดสุดยอดแต่ว่าไม่ใช่นิ่งๆเกิดสมบูรณ์มันเป็นเรื่องการเก็บการสะสมรวบรวมผ่านพบชาติปานานเป็นบารมีธรรมติกัดกรนตัดรอนแรงของกิเลสแรงกุศลลงไปโดยลำดับ สามารถสร้างเป็นภาพของมหาบุรุษที่สมบูรณ์ในส่วนร่างกายสมบูรณ์ในส่วน จ, จิตใจจนจนถึงสัสรู้เป็นผู้เจ้าในสุดเนบ้นูเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยท่านจะเหมือนกันในรูปร่างกายแต่ดูแลว้วรู้สึกว่าไอ้ส่วนสูงอะไรต่างๆจะจะไม่เท่ากัน น, นะถ้าเทียบตามตามตำนานเนี่ย ไม่เท่ากันแต่ว่าความสมบูรณ์พร้อมของมหาบริษาทลักษณะ น, นี่เหมือนกันในศาสนาเชนเป็นศาสนาที่ที่เราต้องยอมรับว่าเขาก็แหวกเขาก็นําศาสนาพุทธมานะฮะเพก็รู้ก่อนก็มีศาสนาเกิดขึ้นก่อนเราเป็นศาสนาที่ทําลายความเชื่อถือที่เชื่อกันมาอยู่ในสมัยนั้น นั่นก็คือแนวของอสรรพสิง่งมาจากสิ่งสูงสุดไ ม, ไม่ว่าความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญนรกสวรรค์ชีวิตนิรันดรนาฏัย ม, ม, มันไปผูกพันกับสิ่งสูงสุดซึ่งสําหรับยุคนั้นก็คือเรียกว่าพระพรหมหรือพรหมมันก่อนนานั้นเขาก็เรียกว่าปรามาตัตตมันมาความมรดมีเทพเจ้ามีสิ่งสูงสุดเป็นผู้สร้างสรรพสิง่ง คนเรานั้นเป็นผลพวงเป็นฉายาเป็นเงาเป็นทูตแล้วแต่จะเรียกมาเรียกกันชื่นอยู่แล้วท่านมหาวีระหรือท่านวัตถมารหรือทนนิครดนาตบุตรท่านไม่เชื่อแต่ทั้งก็ปฏิเสธตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องใหญ่เพราะกระแสของความคิดของ ของโลกอะที่จึงมันโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็โลกก็เป็นอย่างนั้นเองตอนนี้กำลังกำลังติดตามรวบรูปข้อมูลแล้วมาเทียบกับกับปัจจุบันนะ่นนะว่าข้อมูลในยุคพระพุทธเจ้าพ่อๆกับข้อมูลในยุค ป, ปัจจุบันมายความวการต่อสู้กันสองกระแสที่แรงระหว่างกระแสจิตนิยมกับวัตถุนิยมนี่แรง และ ว, วัตถุนิยมค่อนข้างนําำนะฮะค่อนข้างจะนําค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากอจิตตนิยมออกแก้วไพ่แพ้เลยก็ทําให้นึกถึงธรรมุเทศธรรมุเทศสี่ข้อมันกอดมันนั่งนึงนกๆมันลืมไปค้องเราต้องมาคน้นบางคนที่ห้องสมุดพระรัฐบาลเนี่ยท่านแสดงรัฐบาละเนี่ยท่านแสดงกับพระเจ้าโกราปยักษ์ การสะท้อนภาพชีวิตของสัตว์โลกพโลกโลกคือหมู่สัตว์สำรวจมาลีนิดหน่อยนะอัญชารานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนหมายความว่าโาราเกิดมาแล้วก็ไหลก็สู่ความแก่ชีวิตไม่ได้ยั่งยืนไม่ไดเที่ยงแท้ไม่ได้ั่นคงอะไร เ, เรื่องนิดหน่อยเป็นเรื่องของขณะจะแตกตับเมื่อไรก็ไม่รู้โลกคือหมู่สัตว์ ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนแต่เราคิดเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างนี้เอาจริงเราไม่ได้เป็นจริงเราก็เป็นก็เพื่อไม่ได้เป็นแต่ให้เราสังเกตว่าศาสตร์โลกดิ้นรนศาสต่โลกนั้นดิ้นรนเพื่อความเป็นทั้งทงที่รู้ว่าเป็นยังไงก็ต่อไปก็ไม่ได้เป็น เราก็ชอบติ่ตัวความเป็นแล้วทําไมจึงดิ้นรนไปตรงนั้นเพราะภายในใจลึกๆเนี่ยสัตว์โลกเราเข้าใจว่าตัวเองเที่ยงแท้ที่เราเรียวกว่าสัตตตจิตคือเข้าใจว่าตัวเองเที่ยงแท้เข้าใจว่าสิ่งของตัวเองเที่ยงแท้ และมีความคิดของสัตว์โลกนั้นจะเป็นความคิดค่อนข้างประเด็ดการนะฮะดันท่านหลายลองสังเกตทเทวุจเจ้าทรงทรงแสดงตั้งแต่อนัตตาลกนาสูได้เห็นแนะนัว่าพูดพูดพูดโดยรวมาสังขารต่างๆมันเป็นหน้าตาสัตว์ต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงสังขารต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันการที่เป็นคนขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างโน้นมันเป็นไปไม่ได้ ปุจจ ա วก็ติงตั้งแต่ตั้งแต่ประโยคที่สองไงนะฮะบอกตั้งแต่ประสูตรที่สองว่าที่คิดเกินผิดทางนั้นนะ่ะพูดง่ายว่าที่คิดเกินผิดทางนั้นนะแต่เราก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะเราก็ยังคิดว่าเราเที่ยงแท้เรามั่นคงเราไม่แปรผันเพรา ะ, ะ น, นก็ปรารถนาที่จะได้ที่จะเป็นเป็นธรรมชาติอย่านี่งแล้วท่านบอกว่าโลกจริงๆแล้วในโลกไม่มีอะไรเป็นของของตน เรากม็มีอะไรบางของบางตนคำว่าของเราของเราของเร า, เราทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมมติแล้วในสุดเราต้องทิ้งสิ่งนั่งปลงไปตอนแต่หลายลองลองสังเกตว่าธรรมุสเทศ ส, สาวเนี่ยมันแสดงอะไรมันแสดงสภาพของใจลักนะฮะแสดงสภาพของไใจลักข้อแรกแสดงเห็นถึงความไม่เที่ยง ข้อที่สองแสดงเห็นถึงความเป็นอนัตตานะฮะข้อที่สามแสดงให้เห็นถึงความเอ้ยไม่ใช่ข้อข้อที่สองแสดงเห็นถึงความเป็นทุกข์ข้อที่สามเนี่ยแสดงเห็นถึงความเป็นอนัตตาแล้วก็ข้อที่สี่เนี่ยมันแสดงว่าโลกพล่องโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุตัณฐ า, ามันแสดงให้เห็นถึงกระแสความคิดของโลก มันถูกกลุมรุมด้วยความรู้สึกเห็นแก่ตัวนะฮะพยายามตอบสนองตัวเองพยายามหาประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นนั้น เ, นเห็นในใะจเราเป็นอาการของของวัตถุนิยมอาการของวัตถุนิยมคือยึดติดอยู่ในตัววัตถุฝ่ายขันกระสัญอยากยาในตัววัตถุยืน่นแจ้งต่อสู้ประหารประหานกันในเรื่องของวัตถุ โดยเข้าใจว่าไงมันทวนกระแสะหมดโลกคือมูสัตวอันจรานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนแต่ก็คิดว่าตัวเองตัวเองตัวเองเพียงแท้ตัวเองยั่งยืนโลกคือมูสัตว์ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็เข้าใจว่าโลกเป็นสุขนะแต่ยิงโลกมันก็เป็นทุกข์ โลกไม่มีอะไรเป็นของงองตนอ่ะเท่ว่าของเราของเราของเราทั้งหลายอยู่เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่เป็นตัวเราก็ยังไม่เป็นตัวเราเลยเราความรู้สึกมันถวนกระแสหมดเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆลึกๆเนี่ยสัตว์โลกประกอบด้วยสัจธรตทิฏฐิคือความเห็นว่เชียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เราชอบนะเราก็เห็นว่าเชียง แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องการในพิบัติไปมันยังมีกิกเลสอีกตัวหนึ่งก็คืออุชเช ท, ทิชิิเรียนว่าขาดศูนย์อะไรที่เราไม่ชอบเราต้องการให้ขาดศูนย์ต้องการให้ทำลายต้องการให้แตกไปเมื่อมันไม่เป็นไปตามในเราต้องการเราก็ปรอกอกประกอบอาญยกะระกะรมเรีนว่ามนุษย์จริงๆที่เราทวนกระแสมาเป็นมาเป็นประชาธิปไตยที่จริงกระแสหลกัหลกๆมนุษย์เนี่ยเป็นพาด็การ มนุษย์ทุกคนมีความคิดเป็นประเด็จการนั่นแหะแล้วบางครั้งบางบางคนรุนแรงเรียกว่าถ้าไม่เป็นตามีตัวต้องการก็จะต้องทําลายจะต้องฆ่าจะต้องให้สิ่งเหล่านั้นพินาศไปนี่คือความคิดสองกระแสซึ่งท่านจะเห็นว่าสองกระแสนี้กระแสที่ต้องการทําลาย กระแสนแนวทำลายมันมาถึงกระแสนหนึ่งเนี่ยมองชีวิตว่ามันจบชีวตัวความตายนะฮะถึงระดับหนึ่งระดีนว่าก็ถึงว่าแม้ชีวิตเองก็ถูกทำลายคือจบลงที่ตายแต่นั่นเองวันก่อนจะตายก็สู่กันเต็มที่สนุกกเต็มที่นั่นคือแนวคิดที่เป็นวัตถุแนวคิดทีเด่เป็นวัตถุนิยมหมายความพยายามปลนปลือตอบสนองความต้องการของตนที่บังเกิดขึ้นให้เต็มที่ เสร็จแล้วเราก็ตายก็จบกันพวกนี้จะไม่ยอมรับบาปุถุท่านมหาวีระท่านไม่อยู่ตรงนี้หรอกแต่ท่านมาอยู่อีกจุดหนึ่งมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าชีวิตมันเที่ยงแท้เห็นไหมพระมหาท่านท่านมหาวีระเนี่ยเข้าใจว่าชีวิตมันเที่ยงแท้แต่เที่ยงแท้ยังไงมันไม่เที่ยงแท้ไปอยู่กับพระพรหมจริงแต่ว่าไปอยู่ในในแดนนิพพานก็นิรวัตเรียนิรวนันโมกษาหรือไกวัน นิพพานของท่านเป็นเป็นนิพพานที่ที่ที่ค่อนข้างง่ายๆนะฮะหมายความว่าเวลาจะนิพพานก็นั่งเฉยๆมันต้องกินข้าวกินบานั่งเฉยๆเฉยๆแห้งไปเฉยๆนะแห้งไปเฉยๆแล้วก็ถือว่านิพพานเพราะฉะนั้นธรรมปฏิบัติของท่านเราเห็นได้ชัดว่าต่อต้านวัตถุต่อต้านวัตถุคืออะไรคือแบบทรมานร่างกายหมายความว่ามาชิงชังร่างกา ย, รารากายทรมานร่างกายแนวทรมานร่างกายจะเป็นแนวมัสสนาเช่ ถือว่าอะไรถือว่าจิตนั้นถูกขังอยู่ในร่างกายต้องการในร่างกายเป็นิสรต้องการในจิตเป็นอิสระก็ต้องทรมานร่างกายแต่ทั้หลายที่ไปเห็นแนวทรมานร่างกายนะพวกนี้ฤดูหนาวก็จะไปอยู่กลางหิมะนั่งกลางน้ำแข็งผ้าพรไม่นุ่งนะฮะผ้าพรไม่นุ่งพวกนี้คันท่าเล้วไม่มีเครื่องร้อยรัดไม่มีเครื่องนุ่งข่มก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย แล้วก็แปลกนะครับมันสืบต่อมอันจนถึงปัจจุบันศาสนาพูดดีแสนดีอินเดียรักษาไวะแม่ศาสนาเชนอยู่ได้จนทุกวันยังอยู่ไดนะ้และเรารู้ด้วยว่าใครนักตือศาสนาเชนทุกคนเนี่ยเรียกว่าเชนหมดชื่อยาวเลยจะจบลงในคําว่าเชนอาจารย์เชนครูเชนทหารเชนนายพลเชนก็จะเรียกเชนอั้างนั้น เ, นเป็นศาสนาเล็กๆแต่มีอิทธิพลมาก เหมือนศาสนาซิกนะฮะที่เขาเรียกว่าสิงสิงล้าพอเรียกว่าสิงหลายรั่วเอนนั่นคือศาสนาซิกประชากรเขาไม่มากแต่ว่าเขากล้าประกาศตัวเปิดเผยเปิดผเดผยทุกคนทุกแห่งไปไหนก็เขาก็สิงเขาก็เจนเลยแต่ความเชื่อของท่านเนี่ยเป็นความเชื่อที่เป็นวัตถุนิยมมันม่นไม่ใช่คือจิตตนิยมนะฮะจิตนิยมแต่ว่า มันก็จิตมันก็เชี่องมันก็ขัดกับใจรักเป็นลักษณะของขัดแย้งกับตัวใจรักก็คือตัวอนิจจังแล้วค่อนข้างจะมองเป็นตัวเป็นตนนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาท่านสัจจะนิครนจึงเป็นรู้สิทธกับท่านมหาวีระติมาโต้ของพุทธเจ้าเรื่องอัตตานณตานะความนี้ก็ท่านก็เป็นตัวเป็นตนแล้วก็เป็นของเชี่องถือว่าจิตเป็นอย่างเชี่ยง ในขณะเดียวกันก็ถือว่าความสุขเนี่ยคือจะเกิดขึ้นจากการทรมานร่างกายระลําบากถึงจุดสุดขีดแล้วก็จิตจะเป็นอิสระจากร่างกายเพราะแนวคนท่านจึงมาอยู่ที่แนวการมไม่ใช่อันตะกีรามาธานุโชคโดยการทรมานร่างกายโดยวิธีการต่างๆซึ่งในจุดเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดว่าในปัจจุบัมนมันมาอยู่ตรงนี้เลย แนวการทรมานร่างกายก็มาแรงโดยวิธีการต่างๆที่ไม่ค่อยจะแยบคายไม่ค่อยฉลาดในขณะเดียวกันเนี่ยอแนวที่ปลนปลือก็แรงปลนปลื อ, ลลอตัวเองนี่แหละเมื่อเช้าเนี่ยมาข่าวคุณทักษิณก็บังคิดเนี่ยนะคือเรามาคิดถึงว่า บัตรทอนอะไรว่าคุณทักษิณแกตั้งตัวมาเปียเจ็ดแปดปีแต่นั่นเองนะฮะเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านนีะสิ่งที่แกขายนี่เป็นรูปกรเสียงไงรูปกรเสียงที่มาทางอากาศโทรคมนาคมมาลสังเกตรวกรูปกรเสียงอาหารตากับอาหารหูนี่เป็นหลักงานตากับอาหารหูนี่เป็นหลักทราบแล้วลงทุนน้อยที่สุดเพราะมันเอาจางอากาศ ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทำลายวัตถุดิบไปเลยจ่ายไม่หมดเลยวัวตวัตถุดิบเหล่านี้ต่สแสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นบริโภครูปเสียงทางสื่อนี่มากเงินมันก็ย้อนกลับไปสู่ดำเนินพวกธุรกิจตรงนี้สร้างคนเป็นเศรษฐีขึ้นหมาเศรษฐีขึ้นภายในภายในหกเจ็ดปีแท่นั้นเองมันจะท้อนเลยรสะท้อนสังคมบริโภค ถ้าในนว่าเป็นสังคมที่บริโภคคือนิยมการบริโภคแล้วก็ลงทุนไปในกิจกรรมเหล่านี้แพงเท่าไร่ไม่ว่านะฮะตั้งราคาสูงสูงแล้วประกาศลดเราก็เฮโลสารพาวไปซื้อแล้วนะเป็นวิธีการขายเฉยๆคือตั้งราคาไว้สูงเสร็จแล้วประกาศลถเราก็นึกว่าโอ้เราได้ซื้อของถูกคือทั้งลดทั้งแถมทั้งอะไรนั้นที่จริงเขาว่าเองทั้งนั้นนะฮะเราไม่รู้วจริงๆลดจริงหรือเปล่าหรอ นี่คืออะไรก็คือสะท้อนว่าเป็นโลกของวัตถุโดยคนนิยมบริโภครูป ก, กับเสียงนี่แรงนะจ่ายสตางสตุ้งสตางไปแรงแล้วก็รูปเสียงตงัวนี้จริงบริโภคมากเพียด้วยนะดูโต๊ะทัดรือก็เพียรฟังวิทยุมากก็เพียนะแต่เราก็บริโภคตัวนี้บริโภคตัวนี้กันมากแล้วก็พวกอะไร ว, วิทยุมือถือนี่ถือเกินจนมือเนี่ยแย่เลยข้างนึง นายก็ถือกินข้าวก็ไม่ปกติข้าห้องน้ําก็ไม่ปกตินอนก็ไม่ปกติมันเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่นะพอเสียงคนดังต้องออกมาอยู่ห้องน้ําก็ต้องรีบออกมากินข้าวต้องหยุดเคี้ยวก่อนโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากๆเลยมันผาดจการมากเห็นไหมฮะสิ่งวัตถุที่ไม่มีอะไรเลยแต่เราให้ความสำคัญแก่มนะันเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยจะนอนเพื่อนก็กดกริ้งเดียวเราต้องลุกขึ้นนะ เราขึ้นต้องสั่งได้ไม่มีใครสั่งเราได้ถทากับโทรศัพท์ใร่มใเกตนะฮะไม่มีใครสั่งเราได้ท่ากับโทรศัพท์ไม่รู้ใครโทรมาเราต้องรีบอิตรีตาลาด น, นะอันนี้ก็คือก็คือสะท้อนเห็นภาพว่าเป็นสังคมที่บริโภครูปเสียงมีสูงมากอรงกฤษอังกฤษดต่เราแต่ว่าเราดูตัวอย่างจากจุดนี้มันมันมันสะท้อนกลับไป สะท้อนกลับไปว่าทําไมกิจกรรมเหล่า น, นี้มันจเจริญก็สะท้อนเห็นว่าสังคมบริโภคสูงบริโภครูปเสียงแล้วก็สืบเนื่องมาจากรูปเสียงก็กลายเป็นความเชื่ออ่ะอย่างเมื่อวันซื้อ น, นี่ก็ไปบรรยายที่เนติบัณฑิตยาสภ า, พ, าพวกศาลฎีกาพวกศาลทั้งหลายนะฮะเรตั้งข้อตั้งคิดกันให้ศาลกูจะช่วยคิดกันหน่อยจะคิดกันหน่อยว่า ความคิดของคนไทยเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยคิดนะฮะแม้เราจะมีความรู้มีความเข้าใจอะไรเยเราเริ่มไม่ค่อยคิดเพราะมันมีความคิดสําเร็จรูปแพกมาจากจากสื่อความความคิดอัเนี้มันมันส่งมาจากสื่อโทรทัศน์จากวิทยุจากหนังสือพิมพ์จากแอบแผนโฆษณาต่างๆและเราไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเราตัดสินเลย ตัดสินซื้อตัดสินพูดตัดสินทำรรแล้วเวลนี้มันเอาพอบุญจินมาตัดสินเห็น ไ, ไหมฮะความคิดของคนเนี่ยต้องการจะให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบพอบุญจินแต่เราไม่เราลืมว่ากระบวนการของพอบุญจินแกเป็นคนเดียวทั้งหมดไลยแกเป็นเจ้าเมืองใครฟงนะฮะแกเป็นศารในขณะเดียวกันแกกเป็นตำรวจแกก็เป็นอายการ เด็กแกก็เป็นสารสารดีกานะตัดสินประหารตัดคอเลยเป็นกรมราชธรร์ด้วยเห็นไหมฮะการประหารนักโทษเป็นเรื่องของกรมราชธารร์การตัดสินเป็นเรื่องของสารการไต่สวนเป็นเรื่องของพย า, การกับตำรวจสอบสวนนะสืบสวนสอบสวนนั้ก็ทาหมดเลยแล้วให้มาอยู่ในคนคนเดียวเบื้องนี้เอาไปพูดกันแม้เอาไปสัมมานานะดรดเรเนี่ยเอาไปพูดกัน ออกวิทยุสอบถามคนชื่นชมอยากให้ได้อย่างประบุญจิ้นขึ้นมาสมมติเราได้จริงก็ตายเลยมันหนังมันได้แต่มันวันมันสังคมจริงๆมันไม่ได้อย่างงั้นมันไม่ได้เราหาความยุติธรรมจากไหนหรอเพราะงั้นความคิดเนี่ยมันมันมันมันเกิดจากเป็นความคิดสมร็จรูปคือเราไม่ได้คิดต่อแล้วเราก็ไปเชื่อ ผัวเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยนะะลงข่าวซุบซิบหน้าสี่ในหนังสือพิมพ์ทีเดียปัวก็ตีผัวเมียก็ตกันบ้านพังแล้วเลิกแล้วหย่า ก, กันแล้วไปเชื่อนามปากกาในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลของของของโลกวัตถุเนี่ยมันแรงก็สะท้อนกลับไปตรงโน้นว่าในสมัยพุทธกาลก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าคือเขาไปเชื่ออะไรง่าย ในสังคมของของโลกวัตถุเนี่ยมันจะเชื่ออะไรง่ายตามที่มีการนำเสนออย่างนั้นแล้วจะยึดติดในตัวรูปแบบไม่ได้คิดต่อจะรูปแบบไม่ได้คิดต่อจกรูปแบบตรงนั้นความคิดของท่านน่ครนนุนนะนะท่านท่า น, ท, านท่านอะไรท่านก็ขำๆนะท่านคิดก็คิดเฉยๆอะ่ะท่านมีผ้าปิดจมูกปิดปาก นะปิดจมูกปิดปากแล้วตรงอื่นท่าไม่ปิดอะ่ะตรมันหน้าปิดท่านไม่ปิดแต่ไปปิดจมูกปิดปากทํำปิดทําไมกลัวว่าสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยจะกข้าไปทางปากทางจมูกจะทําให้สัตว์ตายแล้วท่านก็ต้องดื่มเฉพาะน้ําร้อนไม่ดื่มน้ำเย็นทําไมว่าดื่มน้ำเย็นนน้ำเย็นไม่ได้มีชีวิตต้องต้มซะก่อนจึงจะดื่มได้แล้วใครต้องมาท่านเองอ่ะ ท่านเองไงนะฮะถ้าสิ่งมีชีวิก็ตายหมดแล้วเห็นไหมท่านก็รับมาเป็นรุนดุนเลยดังเป็นรุ่นท่านไม่คิดต่อไปเลยท่านไม่คิดต่อไปเลยรับมาเป็นดุนดุนเองครับเดินกวาดขยะไปถามทําไมต้องกวาดถือไม่กวาดนะฮะถือไม่กวาดเดินกวาดขยะถามทำไมต้องกวาดกลัวว่าเดินเท้าจะไปเหยียบโอสัตตายเห็นไหมท่านไม่คิดต่อว่าแล้วที่คุณที่คุณกวาดไอ้ไม้กวาดมันกินพื้นที่มากกว่า มากกว่าเท้าเราเยอะเลยมันมันสายถ้าถูกสัตว์ตายมันก็ตายหมดแล้วตายตั้งแต่กวาด น, นั่นแหละนั่นคือการไม่คิดต่อในสังคมเราปัจจุบันมีลักษณะอย่างนั้นคือเราไม่คิดต่อเขาเพิกปรองมาอย่างไงให้เราก็เราก็ตัดสินใจเลยหรือว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างมีปัญหาตัดสินปัญหาต่างๆโดยไม่มีข้อมูลพร้อมในเรื่องเหล่านั้น แม้ในเดตรายการเช่นอย่างมองต่างมุมเนี่ยท่านจะเห็นว่ารายการมองต่างมุมลองตามดูอันตรายนะะเพราะคนพูดไม่มีข้อมูลใช้แต่อารมณ์ไม่ได้สืบสาวอะไรเลยไม่มีข้อมูลต่างคนต่างกพูดนึกจะพูดก็พูดเรื่องแต่ละเรื่องกว่าจะพูดมันจะไม่ใจะง่ายนะเหมือนก็เราจะเรียงความนะฮะกว่าจะเรียงความมันต้องค้นนะนะถ้าทําวิทยาในผลต้องใช้เวลาเป็นปี รวบรวมข้อมูลจึงเก็บออกมาเป็นวิทยานิพนธ์ไดนะ้การจะเรียงความมันต้องค้นจึงจะเรียงได้การจะพูดมันต้องค้นมาก่อนจึงเรียนได้มันไม่ใช่นิ่งๆจะพูดได้จะจะทำเอาได้แล้วเรื่องบางเรื่องนี่มันมันมีเงื่อนไขสลับซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเรื่องกรรมเมื่อเช้าเลยนะฮะที่ถามเนี่ยถามคล้ายๆเราเป็นหลวพุอท่เจ้ามันตอบไม่ได้เราอย่างนั้นนะฮนะ เ้าินเชื่อมได้ยังไงอย่างเง้ยนะเพราะจริงๆกรรมมันไม่ได้มีเฉพาะตรงนั้นทึง เ, เขายกตัวอย่างตัดสยนพระมาชานี่นะตัดสินพระแล้วตัวเองก็ตัวหัวขาดกัวขาดนะเพราะบาปตัดสินพระหรือเปล่าเราตอบไม่ได้หรอกบาปแกตั้งเยอะหนึ่งอะ่ะแกอาจจะตัดหัวอะไรต่ไม่อะไรไปเยอะแยะไปโยนทีเดียวไปตัดเสียนพระไม่ได้ แต่ที่แน่นอนที่สุดว่าเกิดมาจากอากุสนลัง ก, กรร์นั่นแน่อากูสนล ก, กรรมอะไรไม่รู้มันเป็นรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าจท่านนั้นเองจะบอกได้เนี่ยมันไม่ใช่เชื่อหมาเองนะไม่ใช่เชื่อหมาเองตามปกติแล้วเรามองคิดเชื่อมาเองซึ่งคล้ายๆกับก ร, รมมีเฉพาะเท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่อดีตะกา ม, มันมีเยอะแยะในสังสารวัฏติดตามเราไม่รู้มากมายกลายกองทั้งดีทั้งไม่ดีนะะ มันเป็นกระบวนการเงื่อนไขของกรรมอีกตลัดซับซ้อนกันอยู่เพราะงั้นความคิดตรงนี้ของท่านนิครุนเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าความคิดจึงไม่ค่อยไม่ไม่ค่อ ย, อยออสืบตอบทีนี้ก็ตั้งทัานก็พูดถึงการละบาปก็อยากจะอยากจะกลับไปอีกแห่งนึ่งนะฮะคือความคิดในกระบวนการของกรรมของท่านเนี่ยโดยพื้นฐานของนิครุเนี่ยนะ พื้นฐานศาสนาเจเนี่ยเขาคิดว่ากายกับวาจาเนี่ยสำคัญที่สุดนะก่อนจะพูดเรื่องกรรมของเขาเราต้องมองว่าเขาให้ความต้องการแก่อะไรก็ให้ความต้องการแก่กายวาจาใจเนี่อะไรสําคัญของเรานี่ให้ความต้องการแก่ใจนะฮะเราเนี่ให้ความต้องการแก่ใจถือว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสมเ็จมาแต่ใจถ้าใจคิดไม่ดีการทําก็จะไม่ดีจะพูดก็ไม่ดี แต่ใจคิดดีการทําการพูดก็ดีไปหมดจึงอยู่ที่ใจแล้วก็กรรมเองก็อยู่ที่ใจบาปเองก็อยู่ที่ใจเจตนาหังพิกเวกังวดาณิเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลมีเจตนามีความจงใจแล้วก็ทกํากรรมทางกายทางวาจาหรือแม้แต่คิดด้วยใจนะแต่พวกนิครุเนี่ยท่านมองในรูปว่าวาจากระกายเนี่ยสําคัญมากสําคัญมากกว่า อันนี้เคยเล่าให้ท่านฟังเมื่อประมาณหลายปีมาแล้วนะฮะประมาณตั้งตห้าปีหกปีแต่มันเรื่องอุบาลีวาทสูตรอันนี้ก็รู้สิษย์นิคนนะฮะลู้สิธย์นิคนเมื่อกันมาเฉียงกับพระพุทธเจ้าเรื่องกรรมเรื่องกรรมอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดกันคนคนรับประเด็นนะเฉียงคนรับประเด็นถามว่ากายกับท่านเรียกทันนะท่านเรียกทันในจริงแต่ไเรียกวกรรมแตเรียกว่าทันกายทันวจีทันมโนทัน ก็คือการนั่นแหละอะไรสำคัญพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้เขาตอบวลีก็ตอบประกายกับวาจาสำคัญพุทธเจ้าก็อุปมานะอุปมาย ใ, ให้ฟังให้คิดแล้วก็นในที่สุดท่านก็นยอมนะฮะวาจาํำคัญกว่าอุปมาเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งมีมีเดี่ยวแรงมากก็คิดจะฆ่าคนทั้งเมืองนารันทาให้หมดนี่ทาได้ไหม ก็บอกทำไม่ได้พระเจ้าถามว่าคนที่มีอํานาจมีฤทธิ์ทางใจเนี่ยสามารถจะดนบันดาลจะใช้ฤทธิ์ตัวเองทําให้เมืองนารันทาพังไปได้ไหมก็บอกไม่ใช่เมืองเดียร์กี่สิเมืองก็ทําได้พระเจ้าก็ถามว่าเนี่ยจิตสําคัญกว่ากายหรือว่ากายสําคัญกว่าจิตพอพออุปมาพระเจ้าอุปม า, ปมาทั้งหมดนะฮะอุมาทั้งหมดแต่ใ น, ในสุดก็ท่านก็ยอมว่าจิตสําคัญกว่ากายตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าไปละกรรมในอดีต ก็ไม่อดีตเนี่ยที่จริงเราลาะไม่ได้นะมันละอะไรมันมันทําไปแล้วมันเสร็จไปแล้วเราลาะได้ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าละความชั่วหมายความว่าความชั่วที่กําลังจะทําแล้วไม่ทําป้องกันความชั่วป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดแต่ไม่จะทําชั่วแล้วเราจะไปลาา้ะมันมันละมันไม่ได้ เราละได้เฉพาะกรรมที่เป็นปัจจุบันด้นนั้นเองกรรมอดีตก็คือเป็นเรื่องอดีตแต่พู้เจ้าเราเองพระเจ้า จ, จึงละ ก, กิเลสละ ก, กรรมละ ก, กรรมที่สืบเนื่องมาจากกิเลสในขณะนั้นนะนะแต่ไม่ใช่ไปลัละในชาติก่อนกอนได้จากก่อนกรมันเสร็จเ ร, เรียบร้อยไปแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้พู้เจ้าจึงมีการประสบผลกรรม เการณนท่นางจินจากมานยูกาไปกล่าวหาพระองค์จริงๆก็เรื่องอดีตกรรมของพระองค์ไงนะฮะแต่เรื่องอดีตกรรมตอนนั้นก็กำลังเล่าให้ฟับเพราะฉนะนั้อดีตกรรมเนี่ยก็ตามมาให้ผลได้เราละเขาไม่ได้เพียงแต่เราละในปัจจุบันเมื่อเราละกิเลสได้ในปัจจุบันแล้วเนี่ยพอกิเลสมันหมดกรรมจากจุดนั้นไปมันก็หมดกิเลสกิเลสคล้ายๆกับอะไรกิเลสมันว่าเหมือนกับ ก็มีที่ที่ที่ทัานอุปมาเหมือนกับต้นตาลยอดด้วยเห็นไหมต้นตาลยอดด้วนต้นมันก็มีนะแต่มันตัดยอดไปแล้วต้นตาล น, นี้มีแต่สุดไม่มีทางแตกดอกแตกใบอะไรอะไรได้อีกแล้วเพราะนักิเลสก็จะตัดอย่างนั้นคือว่าตัดกิเลสแล้วก็กรรมมันสืบเรื่องมาจากกิเลสเป็นกรรมปัจจุบันไม่ใช่กรรมอดีตนะฮะกรรมอดีตเราไปลาครับไม่ได้ การตรงนี้พวกเหล่านี้มันจะตามให้ผลไม่เรื่อยแล้วก็พอนิพพานก็ถือว่าจบกันเลยเกิเป็นอาโหสิกรรมไปเพราะว่าไม่มีขันที่จะให้ผลนะไม่มีขันที่จะให้ผลไม่มีชีวิตที่จะที่กรรมจะให้ผลไม่มีที่จะให้ผลเนะี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าตามมาให้ผลจนถึงคืนนี้จะนิพพานอย่างตา ม, มให้ผลนีู่เลยตอนที่เล่าฟังตอนบรรยายกับบระธานเมื่อกี้เนี่ย ที่จะดื่มน้ำํำในแม่น้ํากังหันนะาทีทรงกระหายน้ําทรงลงประบันโคนนะ่ะคือถ่ายท้องอนะ่ะพูดง่ายๆท้องเดินอนะท้องเดินมากไปบ้านนยจุนท่มาท้องเดินอุตลุดล้วบางคนหนักเป็นพระโลหิต ด, ด้วยลงออกเลือดด้วยก็แปลกเนะีไม่หามแปลกแปกมากมาอย่างน้อยใจทําไมไม่หามนะมันเจ็บใจจริงทำไมไม่หามเมื น, นั่งไป น, นึกดื้อๆทาไมมันปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยให้ท่านเดินทําไมอะ่ะอ ประชาชนตั้งแปดสิบแล้วปล่อยให้เดินอยู่ได้ทำไมไม่หามาท่านป่วยเยอะไม่หามาแปลกจริงเป็นยังไงไม่รู้คนแขกสมนะัยนั้นแล้วท่านก็นลงระบนคนหนะักเป็นพระรลหิตวันกระหายน้ํานะฮะร่างกายเนี่ยมันต้องการนะต้องการน้ำน้ำสิเสียน้ำไปเยอะแต่พระนุนก็ไม่ยอมไปตักให้นี่พระเจ้าก็ล่ามาเป็นกรรมพระนุนตั้งเจตนาดีดาเจตนาดี รู้ว่าน้ำจะขุนไม่ยอมตักให้เพราะเวียนมันเพิ่งผ่านไปสดๆแต่พอไปตักปรากฏน้ำาสอไอ้นั้นคือบุญบรรดานเนืนองมากรรมมันก็บรรดากรรมบรรดาหนนะะมายความว่าท่านเจตนานดีแต่ก็ทรมานตัวตัวลาที่จะได้ดื่มน้ำในขณะนั้นก็กลับต้องทวงช้าไปในในขณะนั้นอกี่นานทีก็ไม่รู้มันก็หิวอ่ะมันก็กระหายน้ำ แต่พอไปตักน้ำาดยเจตนาที่เป็นกุศลในปรากฏวน้าใสน้ำใสไม่มีคราวของฝุ่นของของของของุนอยู่เลยของตะกรอนของอะไรอยู่เลยนั้นก็คือบุญบันดาลเห็นไหมมันมันตามมาทั้งบุญทั้งบาปแล้วก็ให้ผลอย่างนี้เพราะตรงนี้พระอานนท์ท่านท่านไม่พูดอย่างงั้นท่านถามว่าพระอานนท์คิดอย่างไงเนี่ยพระอานนท์ท่านมาิบายอย่างนั้นท่านบอกว่ามันเรื่องอดีต เรื่องการอาดีตก็คือเรื่องของอดีตรเราเห็นว่าอาดีตรกรรมที่ตามมาให้ผลได้ก็ต่อเมื่อเรามีขันให้ให้ผลใช่ไหมหมายความว่าเรากิเลยังไม่หมดอ่ะถ้ากิเลสหมดแล้วมันก็ให้ได้ตลอดจนกว่าจะนิพพานยังให้ได้อยู่นะต่างทั้งดีทดั้งทั้งไม่ดีน่ะยังให้ผลได้ทั้งสองอย่างแต่พอนิพานแล้วก็จบเพราะว่ากรรมมันมาจากกิเลส อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร น, นะฮะอวิชชาปัจจเกิดสังขารอาวิชชาคือกิเลสสังขารนั่นคือกรรมทีนี้เมื่ออวิชชาถูกทําลายสังขารมันก็หมดสังขารก็หมดหมดเฉพาะชาตินี้นะแต่ว่ากรรมที่ตามมามันก็ตามมาก็ไม่หวาอะไรนะก็ตามมาแล้วก็ให้ผลได้ให้ผลได้ที่ที่เคยเขียนในหนังสื อ, อรเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องชีวิตนี้ใครที่ขีดนะที่บอกท่านไว้ พราะพุทธเจ้าประสบผลของอคุศนรกรรมตั้งสิบเจ็ดอย่างนะะในประชนปรชีตสี่ิบห้าครั้งในสี่สิบ้าปีนี่ประสบผลบน่าสุดุณนกกรรมสิบเจ็ดอย่างะะด้กันที่เขียนไว้ในหนังสือชีวิตนี่ใครไดิดก็ไม่ใช่เขียนนะ่ะรวบรว ม, รว ม, รวมไว้นะรวบรวมไว้ในหนังสือชีวิตนี่ใครได้ิดแต่พอนี่ผ่านก็จบจบก็เรียกว่าลบุญและบาปที่จริงมันละบุญบาปในขณะนั้น ไม่จะไปล่าในอดีตเขาได้อนะฮะอดีตอดตีเราล่าดได้ยังมันหมดไปแล้วมันตายไปแล้วก็ท่านเ น, น้นไปที่กา ร, รลดละกิเลสทกา ร, รลดละกิเลสพวกนี้ไปสอดคล้องกับเมื่อหลายวันที่พูดมาแล้วเรื่องอาชีวกกสูตรนะฮะในอาชีวกกสูตรที่อาชีวกซนะึ่งเป็นนะักบวชนอกศาสนาเหมือนกันมาถามพระนุ่เหมือนกันนะนะฮะพระนุ่เหมือนกัน ถามว่าในระหว่างพวกเราเนี่ยใครสอนได้ดีนะใครปฏิบัติได้ดีใครมีวิถีชีวิตที่ดีจะถามถามสามประโยคนะฮะพรนนท์ท่านก็บอกว่าคือคือคื อ, คอให้ท่านคิดตัวเองให้ท่านคิดตัวเองว่าคือจะพูดใครไปไม่ได้หรอกนี้มันมันมัน มันพูดว่ามีผลเป็นยังไงพอพูดใครนี่จะเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องพระนรนบอกว่าใครก็ตามใครก็ตามที่สอนเพื่อละราคะโทสะโมหะแล้วใครก็ตามที่ปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะใครก็ตามที่มีวิถีชีวิตโดยไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีโลกปวดหลง น, นั่นนะคนเหล่านั้นท่านเห็นว่าอย่างไง ท่นเห็ว่าสอนดีเห็นว่าปฏิบัติดีเห็นว่าดําเนินชีวิตเป็นดีหรือเปล่าพ้ะท่านบอกอัญชิบก็บอกว่าอันนี่คือดีคือสอนดีคือปฏิบัติดีคือดําเนินชีวิตเป็นดีแล้วท่านชื่นชมที่ว่าไม่ได้พูดถึงตัวพระอ น, นุนไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงใครคือใครก็ไม่รู้ใครก็ได้เพนตรงนี้ก็ก็เหมือนกันพระอ น, นุนท่านสอนในแนวที่ เพราะการจะละกรรมเนี่ยมันต้องละที่ตัวกิเลสเพราะกรรมมันเป็นอาการนะฮะกรรมเป็นกรรมมันเป็นอาการของกิเลสเฉพาะอกุศลนะเฉพาะอกุศลนั้นเป็นอาการของกิเลสกุศลกรรมก็เป็นอาการของของธรรมะอาการของอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะนัาบุคคลพยายามลดละอกุศลในปัจจุบันลดนละกิเลสในปัจจุบันเนี่ย เมื่อกิเลสสงบลงกิเลสน้อยลงเนี่ยกุศลกรรมก็เพิ่มขึ้นการกระทํำก็เป็นกุศลเพิ่มขึ้นการกระทําที่เป็นบุญก็เป็นบาปก็น้อยลงแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าละ ก, กิเลสได้หมดกุศลกรรมก็หมดหมดจากนั้นไปนะหมดจากการหมดกิเลสไปมาความหลังจากนั้นไปเนะี่ยมันไม่มีเพราะฉะถ้า ปฏิบัติได้อย่างนี้นะปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการละกรรมจริงนะไม่ใช่ว่าไปไปคิดละกรามในอดีตเพราะอาดีตเรากล็ล้ามาไม่ได้พราะงั้นการการปฏิบัติธรรมะโดยเนื้อหาพระนรินท์แสดงทั้งหมดก็อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตดีๆหนึ่งว่าแสดงทั้งหมดที่จริงโคตรประบาลีมันเลยนะยกประบาลีมันเลยเป็นปอเป็นปอบเป็นอปนอบม เป็นพระพุทธวจนะที่พระเจ้าทรงแสแดงเป็นปฏิบัาของพระอริยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยท่านไม่แสดงเองนะฮะท่านไม่แสดงเองก็ดูพระเจ้าท่านว่ากันยังไงก็ว่าอย่างนั้นะว่าอย่างนั้นก็เรียกว่ายกกันมาเป็นเป็นข้อข้ อ, ขอก็ยังชอบใจ ในอุตาตปฏิโมกซึ่งมาบรรยายออกอากาศที่กรอบกลางนะ 9.19 เวลาเวลา6โมงก็ไม่ใช่5โมง45ก็เอาอุตาตปฏิโมกมาพูดไปตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะตั้งแต่วันนี้ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเย็นถึงเดือนเดือนเมษา คืชอชบใจที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่อัวทาอธิบายอวาตารปฏิโมกอวาตารปฏิโมกเป็นคาถาสั้นๆก็เรียกว่าสามคาถากึง่งข้าความนิดเตียไม่ถึงหน้ากระดาษนะนะแต่มันคลุมเนื้อหามหาสารพูะเจ้าไม่ได้อธิบายระเทศกับพระอาลาั์ พระบาทสมเด็จพระจองเกล้าเจ้าอยู่หัทรงอธิบายแต่ปรากฏว่าคือไม่อธิบายหมายความเอาที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในที่อื่น่มาเรียงเป็นแถว<อ>ทุกคำเนี่ยเอาคำพุทธเจ้ามาทั้งหมดนอกจากคํานำนะนอกจากคำำํานํามาข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนี้นํานําความนียมแต่นั่นเองนั่นคือความเคารพความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้า ทีนี้เราเกลับมาที่กระแสกรรมที่มองต่างกันอย่างอย่างอย่างของท่านนิครนนะฮะเราจะเห็นว่าผลของท่านนิครนเนี่ยผลงท่านนิครนหมายความว่าพอนิพานแล้วนะฮะพอท่านท่านท่านเรียกวันนิร vana n i r v a ก็ที่จริงก็คือนิพานนะนิร vana มันเป็นภาษาสันสกฤตท่านั้นเองบางทีเราเรียกโมกษะของเราก็เรียกโมกษะก็มีนิพานนะเราเรียกโมกษะก็มีบางทีเราเรียกไกลวันเราไม่เรียกไกลวันนะฮะเราเรียก แต่บางทีเราก็มีเกวรลยานก็เหมือนกันนะนะความชื่อสัพทบๆเหมือนกันแต่ว่าตัวเนื้อหาเนี่ยไม่เหมือนกันตัวเนื้อหานิพานของท่านเป็นสภาพของชีวิตที่อยู่ ย, ยั่งยืนอยู่ในโลกท่านหลายลองลองสังเกตอันนี้คือกระแสะของภวะทิฏฐิความเห็นเรื่องความมีความเป็นคนยังไงยังไงก็มีภาวะทัรหา เสียดายนะนิพพานอยากเหมือนกันนิพพานอยากกันแต่อยากมีชีวิตด้วยอยากเกิดอยากอยู่ในแดนนิพพานเมืองนิพพานเมือ ง, องแก้วกล่าวแล้วคือนิพพานมันก็อยากมั่วๆนะฮะจริงๆเพราะถ้าอยากนิพพานแล้วเนี่ยเธอต้องไม่ติดในภพเพราะนิพพานต้องไม่มีภพอันนี้คือสิ่งที่มีปนนัญหาที่เราเชียงกันมาตลอดเห็นไหมฮะเราเชียงกันมาตลอดถ้าเรามองกระแสความคิดตรงนี้ ที่จริงมีเรื่องศาสนาเชตมันมีนิพพานนิพพานที่ท่านผู้เข้าถึงนิพพานเป็นอยู่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละท่านเรียกว่าเมืองนิพพานแดนนิพพานอะไรของท่านอนะแล้วถ้าเราเทียบจริงๆมันก็คือพรมมันเห็นนะฮะก็คือพรมมันคือพรมพระพรมของศาสนาพระก็คืออะไรก็คือคือโยาวาคือพระเจ้าคือพระเจ้าของศาสนาคิดมันมีลักษณะเป็น ตัวเที่ยงแท้ศา ส, สนาพุทธไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ขาดเดเดน แ, แสศาสนาพุทธอยู่ตรงกลางไม่ได้เที่ยงแท้แล้วก็ไม่ขาดสูตรผลตัแนาเที่ยงแท้ยั่งยืนอยู่ตลอดในรันดอนการมันไม่มีนิรันดอนการในรันดอนการไม่มีนอกจากว่าเป็นการดับที่กิเลสที่ไม่กำเริบอีกแต่เราไม่ได้พูดถึงว่าดับไปแล้วไปเกิดที่ไหนนะฮะ อุปสัณหาเองสายตรงจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดว่าเกิดที่ไห น, นแต่ถ้านทนายลองสังเกตว่าคนจะชอบเรื่องพบเนี่ยมากกว่าที่จะนิพพานแล้วก็ดับไปเฉยๆอยากจะสวยสุขเมื่อสวยสุขมันต้องมีผู้เสวยสุขก็ต้องมีผู้เสวยถ้าถ้าไม่มีคนไม่มีตัวคนสัตว์เสวยมันก็สุขมันก็เกิดไม่ได้ เราก็ต้องการความสุขนะในขณะเดียวกันเราก็ต้องการพบเพราะนั้นมันเป็นความคิดแบบพราหมณ์ไม่ใช่แบบพราหมณ์นะฮะแบบเชนแล้วก็ต่อมาเราเห็นไหมเราก็มีสุขาวดีพุทธเกษตรเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอมิตาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแยกอวตารมาเกิดในโลกมนุษย์พระเจ้าเราเลยกลายเป็นอวตารในรัทติของในนิการะอายา ถ้าเทียบจํานวนคนแล้วคนนักตื่มาหยาดมากกว่าติรวาตประเทศยยใหญ่ใเอเซียเราเนี่ยฮะประเทศยยใหญ่ใญเนี่ยประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศเกาหลีประเทศมองโกเลียประเทศทิเบตอะไรเนี่ยนักถือมาหยาดเห็นไหมเวียดนามอะไรเนะี่ยมาหยาดแสดงว่าคนชอบชอบเชี่ยงชอบชีวิตที่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เป็นสุขอยู่ตลอดกาล เราไม่คิดต่อเนะเ ร, เราไม่คิดต่อแล้วมันเหมือนที่ที่านเล่าถึงคนคนหนึ่งต้องการอายุยืนต้องการอายุยืนห้าร้อปีไปขอพรเทวดาขออายุยืนห้าร้อยปีก็ได้นะปรากฏว่าพออายุจวนจะร้อยเนี่ยไม่มีลูกหลานแล้วครอบครัวตายหมดแล้วรุ่นลูกตายหมดแล้วเมียก็ตายลูกก็ตายมันเหลือแต่หลานเหลี้ย มันเหงามันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอยากตายถามยังไงมันก็ไม่ตายพระขอพรมาห้าห้าร้อยปีนะพออยู่มาร้อยกว่าปีนี่ทนไม่ไหวอะมันไม่มีความสุขไม่รู้จักใครพูดจาอะไรกเขาก็ไม่รู้เรื่องมันมันเป็นข้อมูลคนละยุคนะฮะข้อมูลคนละยุคมันคนยุคร้อยกว่าปีเนาะคุยก็ยุคเด็กรุ่นใหม่เมื่อกี้คนแก่ๆมาฟังเพลงเด็กรุ่นใหม่นะะ ยืนตะกบวกๆเราก็นึกไม่ออกว่าเป็นเพลงได้อย่างไงนึกไม่ออกเลฟังก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะเด็กก็สนุกกันเหงื่อโชคเลยเต้นการอุตลุดนั่นก็คือผลทุทายแกต้องฆ่าตัวเองนะไม่ใช่ฆ่าตัวเองนะฮะกเป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนวงซุยเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขียนบอกว่าอีกกี่ปีจึงตายนะจากพระสอนนั้นตอนนี้นี่ก็เป็นการเตือนนะ เป็นนิทานพระลังนะครับอจริงเป็นนิทานพรลังแต่ที่จริงก็เป็นการเตือนเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยเอาควาจริงเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งมันไม่ดีหรอกที่ว่านะฮะเมื่อกี้เธอตั้งข้อสังเกตว่าไอ้อโยมสังเกตพรที่เราให้สีน้ำพรกันอายุวโนสุขังพลังเห็่นะ ให้อายุยืนให้มีความสุขมีวันนับผ่องสใยมีกํกากลังกายกําลังกายกายุยืนเนมันมันไม่ไปโดยการ น, นะนะมันไม่ไปโดยการนะคนแก่ร่างกําลังกายจะดีได้อย่างไงเห็นไหมมันไม่ไปโดยการนะแล้วถามเอาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถ้าอายุยืนอ่ะอายุยืนเอาจริงจริงไม่เอาหรอกฮะไม่เอาหรอกแต่ใครจะให้อายุยืนยืนเยืนจนไม่รู้จักใครเลยเนี่ยไม่รู้จะอยู่ทําอะไรอ่ะนะฮะ นั่นคือสิ่งที่เราถ้าเราคิดต่อเลยเราก็ไม่เอาเพราะนิพพานในแนวนี้แนวเชนที่ว่าเนี่ยนะการละา บ, บาปอะไรอะไรแนวเฉนเนี่ยตลอดถึงว่าการเข้าไปวันแนวเชนคือการเป็นอยู่ไปอยู่เป็นสุขชั่วนิรันดรมันก็เหมือนกัรนิทานไทยนึกออกไ้ยฮะชั่วฟ้าดินสลายนวนิยายชั่วฟ้าดินสลาย อันนั้นคือสะท้อนสะท้อนภาพเจ้าผ้าดินสลายเพรักกันชั่วผ้าดินสลายผลุไทรยถูกจับมาอยู่ในห้องโดยการเอ า, เอ า, เ, อ า, เ, อาเอาโซ่ปรมัดไว้ผลุไทรยอะไรก็อยู่กันไปก็อยู่ไม่ได้นะฮะผลนั้นจริงๆกันนี้คือเราไม่คิดต่อว่าถ้าจริงๆมันอยู่ไม่ได้เป็นสุขชั่วในรันดอนอยู่ไปทําอะไรชีวิตอยู่วันวันสุขสุขได้ยังไงไม่ได้ทำอะไร นั่งสวยสุสบยนั่งนั่งสวยอยู่ทำอะไรเห็นไหมว่าสมมติเราอุดมสมบูรณ์หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทาอะไรทุกอาหารถึงมือไปอะไรดๆทุกอย่างถึงมือหมดมันดีเลยฮะที่โบราณเขาใช้กับมานั่งกินนอนกิน น, น่ะเดียก็เปน็นนามภาษานั่งกินนอนกิน เห็นไหมเราคอยนั่งกินนอนกินไม่แก่แล้วคอยนั่งกินนอนกินนั่งกินนอนกินก็ ม, มาผัดไปไหนไม่ได้เอาเลยเห็นไหมผ้าบังจะจะออกมาลักษณะอย่างนั้นฮะมันจะสุกยังไงก็ตามนะครับนั่นไปฝืนดวงคติฝืนกติธรรมดาเพราะเพราะมันมีพบที่ที่อยู่พบเนี่ยมันเป็นวัตถุนะเพราะมันเป็นสังขารชาติ มีการเกิดชาติเป็นไรชาติเป็นสังขารสังขารเป็นยังไงเห็นไหมเรากลับมาสู่ธรรมุทธเทศี่สังขารคือไม่เที่ยงเพราะนสุขที่สุขที่เที่ยงนนเนี่ยมันรู้มั้ยถ้าท่านยังมีพบมีชาติอยู่เห็นไหมถ้ายังมีพบมีชาติอยู่สุขที่ยั่งยืนไม่แปรผันไม่กลับเป็นทุกข์นั้นคือสุขที่ไม่มีพบไม่มีชาติคนที่ไม่มีพบไม่มีชาติคือใครคือพระอาหารหันต์ เห็นไหมพระพุทธเจ้ารับสั่งสถานะของพระองค์ไว้เล่าให้พระปัญญกขีฟังนนในตอนท้ายของพระสูตรธรรมจักนะคที่ทรงแสดงว่าอายมันติมายาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกชาติสุดท้ายไม่มีชาติต่ตอไปอนะแต่ว่าเราพยายามจะอธิบายพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ในแดนนิพพาน อยู่ในแดนนิพพานอยู่ในชาติต่อไปซึ่งตรงนี้อันตรายพอๆกับความเชื่อว่าทุกอย่างมาจากพระผู้เป็นเจ้าอันตรายพอๆกันแต่ว่าอันตรายคนละมุมถ้าเราคิดดูสมมติว่าทุกอย่างมาจากพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่น่านับถือเลยเพราะให้ทุกเกศโลกเหลืเกินเห็นไหมฮะพระผู้เป็นเจ้าจะจะมีปัญหาสารพัดเลย ทำไมเอาโรคภัยไข้เจ็บมาเอาโรคเอสดมาล้างฐานมนุษย์แสดงพระเจ้าก็สร้างโรคเอสดมาล้างผ่านมนุษย์ซึ่งเป็นลูกหลานพ ร, าพระเจ้าพระเจ้าเลยยุ่งเลยตรงนี้ก็จะเหมือนกันว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปอยู่ในแดนอย่างนั้นนะนะแดนอะไรก็ไม่รู้อยู่ตั้งสอง0ันกว่าปีแล้วนะลูกหลานชาวพุทธเดือดร้อนาศาสนาพุทธถูกเบียดเบียนทาลายาศาสนกเดือดร้อนกัสารพัดอ่ะ ทำไมไม่ลงมาดูมาแลมั้งเห็นไหมทำไมไม่ลงไม่ลงมาดูมาแลมั้งมันจะมีปัญหาทันทีเลยว่าเราจะเผยแผ่ศาสนาในสู้คริสต์อิสลาไม่ได้หรือคริสต์อิสลาไม่ได้เพราะเราคนวางอยู่บนคนละฐานคนละหลักการกันศาสนาพู้นั้นเป็นเรื่องของ ที่พรังก็เคยอุปม า, ามาชอบตั้งแต่เรียนหนังสือเรียนเรียนเรียนยนิสสพานี่มันมีบทความฝรัง่งเขาบอกว่ า, าศาสนาในโลกเนี่ยาศาสนานี้ก็มีสถ า, านะอยู่สามประเภทแต่าานี้ประเภทหนึ่งเหมือนกับลูกแมวศาสนานีประเภทหนึ่งเหมือนกับลูกลิงศาสนานี้ประเภทหนึ่งเหมือนกับลูกเสือลูกจรเข้ไม่ใช่ลูกเต่าและลูกจระเข้าศาสนานี้ประเภทลูกแมวนะคือคือหมายความว่าแมวเนี่ยไปไหนก็ แม่ข้าบเต็มตัวเลยไม่ยอมช่วยตัวเองเลยนะเห็นเจ้าแมวเนี่ยแม่ข้าบแลบบ้วเยเท้านิ่งหางนิ่งแม่ข้าบไปวันนั่นคือศาสนาที่อาศัยทุกอย่างจากจากจากพระผู้เป็นเจ้าจากศาก ส, สนาตัวเองอ่อนวอนขอร้องบวงสวงขอดลบันดาลขอหน้ากันดลบันดาลผ่านเวลาไปวันๆนะแย่แล้วไม่จเจริญเลยนะพวกเนี้ย งองมืองอเท้าเนี่ยรอการโดนบรรดาล่เหลือส า, ส า, ส า, ส า, สานิกในศาสนาบางประเภทเหมือนลูกลิงลูกลิงเนี่ยแม่อุ้มแต่ว่าก็ใช้มือกอดแม่ไปด้วยนะแกไม่ถึงก็ปล่อยแม่ทำงานคนเดียวแกก็ช่วยเกาะกี่หลังแม่ไปกอดแม่ไปนะแต่ลูกเต่าลูกจระเข้ไม่ใช่อย่างนั้นแม่วางไข่จริงเลยวางไข่เรียบร้อยลูก เราเวลาจะเจาะกระป๋องฟองมาเองว่ายไปลงน้ํำเองเลี้ยงดูตัวเองช่วยตัวเองแกบอกว่าเนี่ยคือแนวศาสนาพุทธสอนอย่างเงี้ยสวนว่ า, าศาสนาคือเหมือนกันลูกเต่าลูกจระเข้ไม่ได้หวังพึ่งาศาสดาให้ไข่แล้ววางวางไขแล้วเ ร, เรียบร้อยชีวิตแล้วเือได้แล้วเธอช่วยตัวเองต่อไปศาสนาพุทธจึงแนวของการชี้ทางยังการชี้ทางไม่ใช่แนวดนบรดา เห็นไหมทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าเราเกิดไปอยู่ในแดนนิพพานแล้วก็เราก็ชาวพุทธเราก็ติดแ น, ด น, น, ดนวดรจปานบ่งบวงสวงอ้อนวอนขอร้องนะเส้นหลวงพ่อแก้วนี่กินเนื้อไขไม่มาื่อวกี่ปีแล้วกินเนื้ไข่ต้มน่าจะเบื่อจะตายน่าจะเปลี่ยนบ้างปลาละปลาเจา่าอะไรอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนได้มั้งเห็นเปลี่ย น, นั้นทีแล้วก็เส้นสวงไงฮะ แล้วพอเส้นสวงเนี่ยมันเราไม่ใช่แนวเส้นสวงเมื่อมันไม่ไม่ใช่แนวเส้นสวงจึงไม่ได้เป็นไปาตามที่เส้นสวงถ้ไม่เป็นไปาตามเส้นสวงเราจะท้อถอยจากการนับถือศาสนาเราจะถอยห่างจากศา ส, สนาดังนั้นมันจะเป็นอันตรายในความเป็นพุทธความเชื่ออย่างเนี้มันจะเป็นอันตรายในความเป็นพุทธแล้วคนคน อ, อ, อู้แต่เจ้าไม่ช่วยอะไรเลย มาเห็นมาช่วยอะไรนะฮะก็นึกว่าจะยกมาเป็นองค์แต่จริงก็ช่วยแต่ไม่ช่วยมาอย่างนั้นไม่จะมาเป็นองค์มามาเหมือนก็ะดูสีก่อแก้วพิสดารมายกสุดสาครขึ้นจากเขีวที่ถูกจีเบื่อผลักกันไม่จะมาอย่างนั้นเพราะงั้นหลักหลักตรงนี้เราจะเห็นว่าหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมชาติก็เหมือนกับต้นไม้นะฮะต้นเขาก็ ปลอย เ, เม็ดลงมาแล้วเอเม็ดมันก็ ต, ต, ต, ต้องต้องต้องช่วยตัวเองงอกจเจริญเติบโตเป็นป่าจนได้เนี่ยไ ม, ไม่เปใครไปปลูกมาแน่นะนะไม่เปใครไปปลูกมันนั่นคือปืนวิถีแบบธรรมชาติต้นแม่มันก็ช่วยระดับที่มันช่วยได้ตอนนั้นเก็อยู่เลี้ยงลูกมาจนลูกสุกหลน่นลูกสุกหล่นลงมาก็งอกลูกก็งอกต่อไปก็ช่วยได้ตอนนั้นเลยนะช่วยได้ตอนนั้นแหละ มันไม่จะช่วยลงมาปลูกให้อะไรให้เรานั้นคือวิถีแบบธรรมชาติแล้วแนวของก็คือแนวของกรรมแนวของก ร, รมซึ่งจะต้องมองมันสืบเนื่องมาจากกิเลสนะบาปอกุศลนั้นสืบเนื่องมาจากกิเลสถ้าเราจะแก้ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งมาเรื่องตรงโน้นหรอกเรียกก็ดับไฟนะฮะดับไฟก็ดับแต่ต้นลมคือดับที่ต้นไฟ มันจ้องไปดับที่ปลายไฟ ม, มันดับดันที่ต้นมันไฟ ม, น ม, นมันเกิดตรงไหนก็ดับที่ตรงนั้นเพราะว่ากรรมทั้งหลายมันเกิดเปมาจากกิเลสการมที่มเกิดจากกิเลสแต่เราต้องการจะดับการมเราก็ดับที่กิเลสแลยไม่ต้องพูดถึงการมหรอกการมมันดับเองนั้นก็คือแนวที่สอนให้ตระหนักถึงความเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นเหตุของอะไรเราไม่ต้องไปยุ่งยุ่มันมากจับเพตได้ได้ไดได แต่เหได้แล้วมาแก้ที่ตัวเหตุเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องพูดก็เป็นวิถีแ บ, บธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้โรคอะไรอะไรเนี่ยแต่เราไม่ต้องการโรคโ่นต้นก็ก็อย่างอื่นก็ก็พังไปหมดศุสนาจึงเป็นกรรมวารีแต่ไม่ใชใ่เรายอมสยบกับอดีตกรรมไม่ใช่ยอมจำนนนะฮะอดีตกรรมเราแก้ไขไม่ได้แต่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราทําปัจจุบันกรรมได้ ให้ทํากรรมดีไว้ในปัจจุบันถ้าวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ดีมะรืนนี้ก็ดีนะแล้วแม้แต่ว่าจะมาอีกกี่วันมันก็ดีได้แล้วเมื่อวานเมื่อวันก่อ น, ก, อนก่อนก็ดีตามไปด้วยก็จะเห็นว่าเป็นเส้นทางวิถีชีวิตที่คนจะต้องรับผิดชอบด้วยจิตสํานึกของแต่ละคนเองแนวของการเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตน ตามโครงสร้างที่ ว, ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นเองแต่วันนี้ก็ขออยู่ติไว้ในเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจกมีแด่ท่านฟังถนายโดยตัวกั น, ท, นทุกท่านคือ